บันทึกที่2ความสุขจัดเป็นสามระดับอีกแบบหนึ่งมีการจัดแบ่งระดับความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เฉียดเข้ามากับการจัดกลุ่มแบบที่แสดงไว้ในตัวบทคือในสังยุตตนิกายสลายตนะวัชซึ่งท่านจำแนกสุขเป็นสาเหมือนกันคือ 1. สามิสุข สุขอาศัยอามิตรได้แก่กามาสุขนั่นเอง 2. นิรามิสุขสุขไม่อาศัยอามิตรท่านหมายถึงสุขในฌานสามชั้นตน 3. นิรามิสัตตรสุขสุขยิ่งกว่านิรามิสุขหรือสุขเหนือกว่านิรามิสุขท่านหมายถึงความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพ ผู้พิจารณาจิตซึ่งหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะและโมหะอัิกถากล่าวว่าสุขอย่างที่สามคือนิรามิตาราสุขนั้นเป็นโลกีเรียกอย่างง่ายๆว่าสุขเกิดจากปัญจเวคณาญาณของพระอระหันต์นั่นเองแต่เหนือกว่าสุขอย่างที่สองคือนิรามิตสุขซึ่งอาจเป็นโลกีก็ได้ โลกุตระก็ได้กรณีที่เป็นโลกุตระคือในเมื่อเป็นฌานของพระอริยบุคคลที่กล่าวว่าเจียดเข้ามากับการจัดกลุ่มข้างต้นก็เพราะมีความคล้ายคลึงในแง่ของขอบเขตกล่าวคือสามิสุขตรงกับการมาสุขนิรามิสุข อยู่ในเขตของชาณสุขและนิรามิสัตราสุขผ้นหรือนอกเหนือออกไปจากชาณสุขส่วนข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือกามส า, าสุขชาณสุขและนิโรธาสมาปฏิสุขครอบคลุมหมดทั้งสุขที่เป็นเวทนาและสุขที่ไม่ใช่เวทนาดังจะอธิบายต่อไป แต่สามิสุขนิรามิสุขและนิรามิสตรรสุขในที่นี้รวมอยู่ในสุขที่เป็นเวทนาเท่านั้นดังนั้นนิรามิสุขอย่างสูงจึงถึงตติยาชฌานเท่านั้นไม่คลุมฌานาสุขทั้งหมดสําหรับสุขในจตุทธาฌานในสังยุตตานิกายสลายตนาวัตรท่านแยกออกไปเรียกว่า นิรามิตอุเบกขาซึ่งครอบคลุมถึงอรูปฌานได้ด้วยเพราะอารูปฌานอยู่ในระดับของจตุทธาฌานนั่นเองส่วนนิโรธาสมาปฏิสุขกับนิรามิตตรระสุขนั้นแยกออกไปคนละด้านทีเดียวกล่าวคือนิโรธาสมาปฏิสุขแม้จะพ้นจดฌาน แต่ยังเป็นเรื่องของสมาบัติและพระอรหันต์กับพระอนาคามีที่ชำนาญสมาบัติแปดเท่านั้นจึงจะเข้าได้ส่วนนิรามิสตราสุขในที่นี้ท่านหมายเอาสุขจากปัญจเวกขณะยานเฉพาะของพระอรหันต์ซึ่งจะเป็นอุปัตโตภาคาวิมุตตหรือปัญญาวิมุตตซึ่งไม่ได้สมาบัติแดก็ได้ อย่างไรก็ดีถ้าเพ่งเฉพาะศักท์น่าจะจัดนิโรธาสมาปฏิสุขเป็นสุขที่ยิ่งกว่านิรามิตรได้โดยปริยายหนึ่งเหมือนกัน